ธรรมชาดกแผ่นที่8ลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8ทธันวาคม2555มีชื่อเรื่องว่าพญาจิตรราชเสียกรุง หลวงพ่อเองสุขภาพช่วงนี้รู้สึกจะเป็นเริ่มเริ่มจะเป็นหวัดแต่ก็พยายามฉันยาอยู่ <c oughs> เพสั์ไม่รู้เท่าไรแต่เท่าไรเข้ามาเนี <c> ่ย <oughs> สรุปแล้วก็คืออย่างที่หลวงพ่อเคยพูดทหารพญามัจจุราชเขาส่งทหารมา <c oughs> ลองชิมคล้ายคล้กับหวัดส่งมาสืบข่าว ส่งมาถามข่าวอ่าไปง่ายพญาจิตราดกายยนคอเป็นของใครเนี่ยเพียงแทนทหารพญามจุราชมันส่งทหารปลายแถวเข้ามาเนี่ยพวกเป็นวัดเป็นไอทั้งหลายแหล่พญาจิตรราชส่งขุนพลเเพศัตว ส่งขุนพลปานะต่ออะไรต่อไม่อะไรไมมนลูกว่ายาอะไรตยาอะไรออกไปสู้กับทหารปลายแถวของพญามัจจุราชพอสู้ได้ได้ชัยชนะก็ดีอกดีใจพญาจิตรราชบางทีก็เพียงพ้ากันพอสมควร พญาเพศัตวพญาโอสถที่พญาจิตรราชส่งให้ออกไปต่อสู้กับพญาทหารพญามัจจุราชทหารพญามัจจุราชก็ใช้จ่อ ย, ย, อยเดี๋ยวก็ต่อยท่านั้นเด็กก็ตีทังนี้เพื่อแย่งกายยนครบางทีก็ตีเข้ามาทางหูตีเข้ามาทางตาทีเข้ามาจมูกคราวนี้ก็ตีเข้ามาทางจมูกนะหวัด <c oughs> อไองไง <c oughs> ตีเข้ามาทาง ปากปากกับฟันหลุดน่ะตาฝ้าฟางหูตึงหนังเหี่ยวล้วนแล้วแต่พญามัตตุราชมันส่งทหารเข้ามาเพื่อแย่งชิงกายนครพวกเรายังไม่รู้อยู่หรอแต่ได้พญาจิตรราชเนี่ยพญาจิตพญาใจพญาจิตรราชเนี่ยส่งขุนพลออกไปสู้ขุนพลเพสัต ขุนพลพวกยุกยาทั้งหลายทั้งปวงออกไปสู้ไปสู้กับทาหารพยามัจจุราชแต่บางครั้งก็เกือบไม่รอดเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เสียเมืองพยามจิตรราชก็สบักสบอมพอสมควรแต่ตาพยามจิตรราชรู้ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ นั่นแล้วนะพญาจิตรราชก็ควรจะเก็บหอมหลอมเล็บควรจะเก็บเงินเก็บทองอันไหนมีคุณค่าอันไหนมีประโยชน์ควรจะเก็บใส่กระเป๋าตัวเองไม่ควรจะไว้วางใจในกาญ ย, ยนคร อ, อีกต่อไปควรจะเตรียมพร้อมอันไหนที่จะเกิดประโยชน์พญาจิตรราชน่าจะรู้อันไหนมีคุณค่าในเมืองนี้ไม่ควรจะชราใจจนเกินไป ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยจนเกินไปถ้าหากว่ามีแต่สู้กับเขาสู้กับสรงพญาเพศัตวสรงพญาหยุกยาออกไปสู้สู้เท่าไร่บางทีก็กว่าจะชนะได้ก็เพียงพ้มทหารพญามตรุราชอย่างมากถ้าผู้ฉลาดผู้ได้รับการศึกษาผู้ได้รับฟังธรรมะ ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพญาจิตรราชได้รับการศึกษามาโดยดีก็จะต้องเก็บหอมรอมริบไม่ตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนจะเป็นของตนเองควรจะเก็บหอมรอมริบควรจะสั่งสมคุณงามความดีบุญกุศลเท่านั้นละ่ะจะเป็นที่พึ่งของพญาจิตรราชเรื่องกายเจนะคอนี่พญามัจจุราชเขาจ้องอยู่ตลอดเวลา ในเมื่อเผลอมาเมาื่อไรเขาก็ตีเข้ามาตีเมืองกายยนครผลที่สุดก็แตกเนี่ยไม่มีใครที่จะอยู่ได้เมื่อเมืกรุงแตกเมืองแตกแล้วพระยาจิตรราชเป็นยังไงเทิ้งทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่ขนาดร่างร่างกายตัวเองก็ยังทิ้งไม่ต้องโพด ถ, ถึงยศถาบรรดาศักย์ญาติพี่น้องลูกหลานพัดว่าศาสนาทิ้งทั้งหมด เพราะว่ากายยานครพญายมัตจุราชมันได้รวบรวมได้โดยเด็ดขาดแล้วพญยายจิตลาชกันนั้นหอบสมบัติของตอนเองถ้ามีนะถ้าผู้ฉลาดนะก็ต้องเตรียมพร้อมอคิดว่าตัวเองจะต้องเสียกุงแน่แน่เราก็ต้องหอบสมบัติทั้งหลายทั้งปวงไปอเอกไปกรมล้างสร้างเมืองขึ้นมาเอก ในเมื่อก่อล่างสร้างเมืองขึ้นมาอีกพยามัจยุราชนี่ก็จ้องไปอีกมันไปอยู่ที่ไหนวะฮะผลที่สุดก็ส่งทหารเขาไปอย่างที่พวกเราเคยเจอมาหลายพบหลายชาตินั่นผลที่สุดคนน่ะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเออหน้าเบื่อจริงๆ จ, จ, จะทำยังไงจึงจะไม่ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมาอีกฮะพญากิตราชควรจะทบทวนแล้วนะ ถ้าว่าสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่พยามัจจราชก็นำทุบนำตีนำต่อยเราอยู่ตลอดเวลาเราทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดอีกไม่ให้มีร่องรอยจนพญามานจนพญายิตรราชตามไม่ถึงเราจะทำอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพญาจิตรราช จ, จะต้องทบทวนเลยเนี่ยนะผู้ฉลาดเมื่อได้ยินทำคำสอนพระพุทธเจ้ามีช่องทาง ที่จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนมีช่องทางท่านก็นแนะนำเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาสมาธิควรทํำยังไงปัญญาควรทํำยังไงพิจารณาอะไรถอดถอนกิเลสภายในใจอย่างไรตัวที่พามาเกิดนั่นคืออะไรก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะที่จะนําพามาเกิดเพตัะนั้นให้ดูดูกิเลส ราคะมันมีความกำนัดจินดียังไงโทสะมันมีความพอใจไม่พอใจโมโหกโกทาอย่างไรโมหะคือความลุ่มหลงหลงอะไรหลงว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลงในการเป็นอยู่ของตนเองว่าโลกทั้งโลกนี้จะเป็นของตัวเองอยู่ชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมใจเนี่แหละคือโมหะคือความหลงหลงว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่าสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเราความหลงความนี่แหละ มันมืดมืดมิ ด, มดปิดตาจริงๆพราะว่าทีเจ้าให้ใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาค้นคว้านในตัวพญาจิตรราชควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในการเป็นอยู่ของตนเองจะปล่อยให้เขาตีเมืองอยู่อย่างนี้เหรอมันไม่มีที่สิ้นสุดหอบไปคนที่ไม่มีปัญญาไม่ได้คิดไวล่วงหน้าก่อนพญามัจราตีเมืองเสร็จแล้วก็นั่นละ่ะย้ยายเมืองไปเขานี่ทั้งที่จะไป เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมกลับไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ทีนี่ต่ำต้อยกว่าก็พญามัจยุรักก็ยังไปตีอีกอยู่ตีเมืองตีเ ม, งตเมืองหมูเมืองวัวเมืองควายเมืองช้างอีกตายไปอีกยังไม่ได้สะสมคุณงามพรหมดีไปเอกเป็นช้างไม่รู้กี่ร้อยชาติเป็นหมาไม่กี่ร้อยชาติเสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิด สรุปแล้วเมื่อเราได้พบหลักธรรมคาสอนควรจะประกอบแต่คุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนี่แหละหลวงพ่อที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละครั้งหรือว่าเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอแต่ละครั้งหลวงพ่อได้คิดนะนี่แหละพญามัจจุราชส่งทหารเข้ามาทหารปลายแถวอีกต่างหากนะส่งเข้ามาเราก็จุกยาพญาเพศัตว์พญาโอสดพญาโอสถพญ า, าเพศัตย ส่งสมุนออกไปสู้กับพญาทหารพญามัจจุราชบางทีก็ชนะได้ก็ดีอกดีใจพญาจิตราราชพัทหารตัวเก่งฮะพอหายจากหวัดจากไอจากไข้จากหนาวแล้วก็ดีใจฮะพญาจิตรราชแต่พอเขามาเอามาเข้ามาหนักๆเข้ามาทีนีนนนน่เป็นมะเร็งนะลำไส้นะเป็นมะเร็งปอดนะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนๆนะั่นพยายามจิตรราชเนี่คิดหนักเลยท่าน อส่งพญาโอสถพญาเพศัตว์ไปสู้นอบางคนก็ยังคิดว่าจะสู้ตลอดจนหมดตักฟังกันเอยไม่ได้คิดเพราะไม่ได้รับการศึกษาถ้าผู้ได้รับการศึกษาแล้วต้องพ่อคิดเออข่าวเขาล้วเหลือข่าวนี่อันนี้ข่าวเราแล้วนะอข้านี้ตาข้าข้าวหน้าตาเองฮข้านี้ตาข้าข้าวหน้าตาเองแต่เป็นถึงข่าวเราละเหลือข้าวนี่อืมเอ้าไม่เป็นไร รักษาเท่าที่จะรักษาได้นะลูกหลานนะพี่น้องนะอรักษาเท่าที่จะรักษาได้ถ้ารักษาไม่หายแนละ้วออจะทํายังไงได้คนอื่นก็ตายหมดแล้วปู่ย่าตายายจะไม่ตายแต่เราคนเดียวเป็นไปได้เหรอมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมบัติของเราที่เอได้เตรียมส่วนตัวไว้นี่เราอุ่นใจหรือยังไนงะมองมาหาตัวเองนะท่าสมบัติที่ตัวเองได้ทําไวน้นี่อุ่นใจหรือยังไนงะถ้าไม่อุ่นใจ ออกจากชาตินี้ไปแล้วเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรมรดกของเราไม่มีเพชรนินกินดาสมบัติส่วนตัวของเราไม่มีเราจะจะอาศัยไข่เพราะสมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้เราจะต้องทิ้งทั้งหมดนะใจนะใจนะเราจะต้องทิ้งทั้งหมดนะเห็นไหมปู่ญาตาิยายทิ้งทั้งหมดนะนทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงยศถาบรรดาศักด์แย่งชิงกันในโลกนี่โลกธรรม8ปดเนะี่ยแย่งชิงกันนะจะต้องทิ้งทั้งหมดนะใจนะอันนี้ต้องถามใจ ใจต้องถามใจโอปัญญิโกเอจากนั้นก็หาช่องทางเถอะนะเราจะอยู่ไปทําไมโลกวะเนี่ยเอาเอาเถอะถึงจะอยู่ในโลกเราก็จะไม่ติดโลกเเหมือนกับน้ํากับน้ํามันอย่างนั้น่ะเอถึงจะอยู่ในน้ําอก็ไม่ติดน้ําเอเหมือนกับต้นบัวดอกบัวถึงอยู่ในน้ําน้ําก็ไม่ติดใบบัวฮะเพราะเหตุไรเพราะมันคนละสัดละส่วนกันดังั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพูดทั้งนี้ทั้งนั้น อุปมาอุปไมยให้ฟังใช่ไหมถูกต้องไหมเป็นลักษณะอย่างนั้นไหมจากนั้นก็เราศึกษาอะไศึกษาแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรแนวทางพระพุทธเจ้าออกบวช ท, ท่านออกไปเพื่ออะไรทําไมท่านศึกษาเรื่องอะไรจากนั้นศึกษาอะไรศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นศึกษาที่พระพุทธเจ้าสอนพระสาวกอุบาสกอุบาสิกาท่านสอนอย่างไรอันนี้พวกเราก็ต้องมาคิดอีก จากนั้นเราเป็นใครเราก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราเป็นภิกษุสมัมเณนเราควรปฏิบัติตนอย่างไรจากนั้นก็ดูตัวเองเถอมองดูตัวเองในเมื่อมองดูตัวเองเสร็จแล้วก็พิธีทางเดินทํำยังไงสมาธิพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้นั่งยังไงนั่งสมาธิมีหลายอย่างนะหลูกหลานคณะสาาัตยญาติโยมพระพุทธเจ้าวางไว้ทั้งสี่สิบอย่างเราจะไปภาวนาะ วันนีนึกพุทโธวันนี้นึกธรนนกมโมวันนี้สังโฆนี่ไล่ไปจนถึงสี่สิบไม่ใชออ่อันนั้นผิดแล้วอันนั้นภาวนาเรียงแบบเราภาวนาจะยึดอะไรเป็นหลักยึดตัวเดียวจะยึดพุทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้อนาปา น, า, า, า, นานสติก็ได้มารณนุตติก็ได้เอาอันเดียวเท่านั้นแหะไม่ต้องเอามากจะเอาอันไหนแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนท่านบอกว่าให้ภาวนา เวลาหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทหายใจเข้าพดหายใจออกโทเวลาเราก้าวเดินขาขวาพดขาซ้ายโทไม่ต้องเดินช้าเดินตามปกติเพราะเราเดินโยกรมคือเปลี่ยนอริยบทยืนเดินนั่งนอนในทั้งสามอริยบทยืนเดินนั่งนอนอันนี้ก็คือเราจะยืนล้าก็ยืนได้ยืนพิงฝา เพราะว่าถ้ายืนธรรมดาน่ยจะยืนไม่ได้นานมันโงอนเงนินนะฮะในหลักในครั้งพู้จการท่านมีกระดานแผ่นหนึ่งอยู่ที่สุดทางจงกรมจากนั้นท่านกับยืนพิงแผ่นกระดานอในวิธียืนเออถ้ามันง่วงนอนมันจะคาพับเนี่ยก็ยืน<ม>เพื่อสติอยู่กับตัวเองฮะบางคนก็ถูกกับจริตในการยืนก็มีบางทีก็นั่งฮะบางทีก็นอนฮะก็นอนหนึ่งมันก็ถูกกับจริตกับทุกคนน่ะว่ะ นอนเนี่ยพอนอนลงไปโกนก็ออกเะถูกกับจริตเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่านอนภาวนามันไม่เท่าไหร่มันหลับเร็วมันท่านไม่ส่งเสริมในการนอนภาวนามีแต่นั่งกับเดินที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแต่ยืนก็ไม่ได้นานมันโงนเงินมันน้ำหนักมันลงลงแข็งรงตีนอ่ แต่เดินได้นานนั่งได้นานนี่แหละโดยมากคุบัยจานสายหลวงปู่มั่นท่านจะแนะนาเรื่องการเดินและการนั่งจะมากกว่าเพราะนั้นพวกเราทดลองดูก็ได้ไม่ผิดกติกายืนเดินนั่งนอนแต่ดูมากนอนมันจะหับเร็วและก็ยืนนี่มก็งนเงนินแล้วว่านั่งนี่ยแล้วก็เยอะเดินเดินเดินคือการเคลื่อนไหวของขา ขาเนเดินการเคลื่อนไหวของขาแล้วก็เอากรรมฐานจับที่ขาของเราหรือเท้าของเราแต่บางคนก็ได้ยินเสียงออกม า, าเอ้ยทําไมเอากรรมฐานพระพุทธเจ้าไปเหยียบลงในเท้าหลวงพ่อก็เคยพูดไปแล้วกี่ครั้งแนละ้วบอกว่าคําพูดนี้ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนนะพูดนะเพราหลวงตาก็จากไปได้ยินข่าวมาทีหลังหลวงพ่อก็เลยบอกเอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าคิดตัดพ้นทางตัวเอง ใครใครสมมติว่าเท้ามันต่ําใครสมมุติว่าหัวมันสูงใครว่าหัวสูงเท้าต่ําะใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดใช่ไหมใจตัวรู้ๆใช่ไหมไปให้ความสมมุติว่าเท้าเท้าต่ําขาสูงหัวสูง่ะใช่ไหมถ้าเราไม่สมมุติมันจะสูงมันจะต่ําได้ยังไงมันเสมอการมันเป็นร่างกายอันเดียวกันเอถ้าสมมุติว่าหัวสูงอะเท้ามันต่ําก็ตัดเท้าทิ้งเฉยๆเอาเสี้ยมหัวเดินเสมันเดินได้ไหม มันเดินไม่ได้เดินไม่ได้ก็จะแสดงว่ามันเสมอภาคกันในส่วนร่างกายเสมอภาคกันทั้งหมดมีแต่เราให้ความสมมติท่านเองสมมติให้มันถูกท่านเองแต่ในตัวของเราแล้วเราจะไปสมมติตัวเองในเมื่อออกมาสู่ชุมชนเราก็ต้องสมมุติให้มันถูกต้องการใช้ภาษาอย่างไงแต่ภาษาใจของเราอีกอย่างหนึ่งเราจะพูดอย่างไงก็ได้แต่พูดภาษาออกมาเนี่ยต้องพูดเป็นภาษาสุภาพนี้ก็เหมือนกันนะ การที่จะทําอะไรของออกมาเราต้องสูภาพแต่ในใจของเราแล้วเราต้องคิดว่าร่างกายของเราเสมอภาคกันไม่มีอะไรยิ่งย่อนกว่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยเราจะกําหนดใส่ขาเราก็ได้เพราะมันขามันเคลื่อนไหว เ, เรือว่าจะแกว่งหัวจะผงกพงกพงก์งกงกจมนจะไหวแล้วเออมันก็ปวดคอเหมือนกันน่ะเพราะมันไม่ไม่ใช่หน้าที่การเดินมันก็ต้องขาการนั่งมันกระจบลมหายใจเข้าออกอ อันนี้แหละคือการเคลื่อนไหวของร่างกายท่ากับการเดินก็ต้องขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถให้มีสติสัมปะชัญญะในการก้าวเดินสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในการก้าวเดินขาขวาพดขาท้ายโถขาขาพดซ้ายโถขาท้ายโถนะเวลาเรานั่งนะนั่งสมาธิอย่างพระพุทธรูปที่พวกเรามองเห็นอยู่เนี่ะเออ เราไหว้พระอารหังสวาสดิโตสุปฏิปโนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วใจโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณด้วยเทอญนนะอยากนั้นก็กราบพระอันนี้คือแผ่เมตตาย่อนะ เบีตายาวอาราหางังอาาหางังถูกิโตโ้มินเตกโก้ไม่อาเวโรหิอย่าสวดอย่างนั้นขอได้นะแต่แผ่เมตตาสั้นรวบรัดแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุจะเป็นวิญญาณไหนก็ตามที่ยังไม่ได้พ้นทุกยังไม่ได้เป็นพระหันวิญญาณไหนก็ตามในโลกธาตุเนี่ยกามโลกอูลปะโลกอโูปะโลกขอข้าพเจ้าวิญญาณนั้นขอให้พ้นจากทุก เมื่อมีสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุเหล่านั้นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเถิดอันนี้คือความแผ่เมตตาสำหรับพวกเราทันทั้งหลายนะจากนั้นก็นั่งกัสจามาธีเลย น, ะนั่งกัจจ ม, มาทีเหมือนพระประธานปนมือขึ้นระหว่างอกนะ ไหว้ครูซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบทำไมจึงไหว้ครูเพราะพระธรรมเรื่องสมาธิธรรมที่เราจะนั่งนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเป็นออกมาจากพระพุทธเจ้าพระปองประกาศพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระองค์พระสงฆ์ก็คือเป็นผู้นำพระธรรมคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ศึกษา เพราะนั้นเราจึงน้อมลำลึกถึงบุญคุณน้อมลำลึกถึงพระคุณน้อมลำลึกถึงมหากรุณาธิคุณทั้งสามพระองค์คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพระเจ้าปฏิบัติได้รับธรรมคาสอนมาก็เพราะพระสงฆ์เป็นผู้นํำพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไหว้ครูซะก่อนไหว้ผู้มีพระคุณซะก่อนจากนั้นก็เอามือลงมืออลงเสร็จแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข้าเลย หายใจเข้าพุทหายใจออกโธมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นเพราะเราขณะที่เรานั่งร่างกายทุกส่วนของเราอยู่ในความนิ่งสงบมีแต่การเคลื่อนไหวตลมหายใจเข้าออกเพราะนั้นท่านจึงให้กําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักแต่เวลาเราเดิน อ, อขาเดินเราก็ต้องเอากําหนดไว้ที่ขาขาขวาพุทธขาซ้ายโทเอธนี่แหละ เวลาเรายืนยืนก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนอนก็เหมือนกันเพราะร่างกายเราเรานิ่งหายใจเขา้าพุทหายใจออกโทเหมือนกันนนี่แหละวิธีการภาวนาแต่นี่คือพระพุทธเจ้าบอกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่โคนต้นโพธิท่าพูดเพียงเท่านั้นเท่านั้นะแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกโอมาถึงยุคของเราเนี่ย เราจะกำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้ากําหนดนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีปีชายานมีความสามารถนีพระองค์รอบรู้นีพระปีชาของพระองค์เฉลียวฉลาดรอบรู้มีสติสัมปะชัญญาดีทุกอย่างแต่เราจะไปทําอย่างพระพุทธเจ้าทํานั้นก็คงจะจหรับเรามันจะสั้นเกินไปให้กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพดนะ หายใจออกบริกรรมว่าโทให้มันยาวขึ้นมาสักหน่อยเอเพื่อจะได้ยึดใจของเราให้มันอยู่กับพุธโทรอะหลวงปู่มัน่นท่านสอนกูหลวงปูเ่เสาท่านก็คงจะสอนกันมาเป็นระดับระดับแล้วแต่นี้ลงตามหาบัวของเราเนี่ท่านบอกว่าทีแรกท่านกําหนดลมหายใจเข้าเหมือนกันนะหายใจเข้าปุ๊หายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมันมันหลุดไปมันเสื่อมอทํายังไงมันยังเสื่อม ท่านก็เลยเอากรมาฐานที่หลวงปู่มั่นสอนพราะท่านเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่นแล้วนะท่นี้นะหลวงปู่มั่นก็สอนให้กับภาวนาพุทโธ น, นะมหานะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ท, ท่านก็จุดกําหนดธรรมดาเลยกำหนดแต่ก่อนคือ ก, กําหนดหายใจเข้ามีสติว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอย่าไ ม, ม่บริกรรมเวลาเดินก็เหมือนกันรู้จักว่าขาขวาลุ่ยเดินขาซ้ายเดินขาขวาเดินขาซ้ายเดินน่ะ ท่านก็เลยเปลี่ยกนกรรมาฐานใหม่กินแล้วบอหายใจเข้าพดหายใจออกโถเวลาก้าวขาขวาพดขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพดเวียงซ้ายโถคล้ายๆว่ามีการเปลี่ยนอริยบททุกอริยาบทมีพดโถอยู่ในทุกอริยาบทท่านว่าวันแรกโอ้โหเหมือนกับจับปลิงเออจับจับปลิงปามไม่ได้สอนมันไม่รู้กระโดดโลดเต้นเท่าไหร่ทุกมากเลยทำไม วันที่สองวันที่สามรู้สึกว่ามันเชื่องขึ้นเลยใจเชื่องขึ้นถึงวันที่สามรู้สึกว่าสติอยู่กับตัวเองวันที่สี่ที่ห้าต่อมาจนบอกได้ว่าใจของเราไม่เสือ่อมเออไม่ลืมอีกแล้วไม่หลงอีกแล้วไม่ทะเลาะลาะอีกแล้วอยู่บังคับให้อยู่เหมือนกระลิงเราจับกระลิงมาบังคับให้อยู่อย่างนั้นอะอแตะก่อนมันกรลิงป่าบ้านี้คนเราจับมากกว ทรมานมันหลายๆอย่างวิธีการเนี่ยผลที่สุดก็อยู่นิ่ง น, นี่แหละจากนั้นก็เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบควรแก่การพิจารณาแล้วก็พิจารณาศึกษาในการพิจารณาเดินวิปัจนาต่อไปทําจิตให้สงบนี่คือสมถติอะเรียกว่าสมัติเวลาอะไรเดินยกยมก็ ค, คือนั่งวิปจารณาเดินพิจารณาร่างกายสังขารเราวอกวิปัจนาเป็นของคู่กันสมถตและวิปัจนา แต่เอาวิปัสสนาเลยโดยที่ไม่เอาสมาถะได้ไหมก็ได้แต่พวกนั้นเป็นพวกคิปปัญญาพวกรู้ได้เร็วเ อ, อจะเดินวิปัสสนาเลยเ อ, อแต่โดยมากมันเป็นสมถะก่อนพวกทันธาปิญญาเนี่ยจะต้องไปตามร ะ, ระดับขั้นต้องเป็นสมถะก่อนแล้วยังค่อยวิปัสสนาต่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือนานๆหนนลวงพ่อจะได้พูดเรื่องสมาธิภาวนาให้พระออของหลวงพ่อและก็นักศึกษา ญ, ญาติโยมที่มานั่งฟัง ได้ยินได้ฟังนานๆจะได้พูดทีหนึ่งวันนี้รู้สึกพูดละเอียดหน่อยนะวิธีการเดินแต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดนะการพิจารณาอย่างไรปล่อยวางอย่างไรจิตของเราจริงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะอันนั้นค่อยศึกษาอีกเพราะวันนี้เป็นมีเวลาน้อยก่อนฉันยังหันแล้วก็พร้อมกันอยากจะบอกกล่าวนะคณะทาญาทโยมวันพรุ่งนีนะ้ถ้าไม่มีอุปสรรคใดทุนกระหม่อมฟ้าหญิงจุราภรณ์วรัยรักอาคาราชุกุมารีนะ จะเสด็จวัดของเราประมาณสักเที่ยงของวันพุ่งนี้นะแล้วก็ขอให้พวกเราทางในครัวก็พยายามเตรียมพร้อมอย่างที่พวกเราเคยรับเสด็จนั่นแหะอย่าให้ลุงพ่อได้พูดได้กล่าวมากเพราะลุงพ่อเนี่ยแก่เท่าชราไปแล้วก็มอบให้กับขับลูกกับหลานช่วยๆกันคิดเพรทั้งพัน์จะไปเอาทับเพีตะเวียร์ซ้ายตะเวียรขวาใส่หัวกันแล้วนั่นนะ <c oughs> ดูๆนะถ้าใครเป็นลักษณะอย่างนั้นบอกมาเออ วัดเราไม่ใช่วัดเลี้ยงหมานะหมาตัวไหนมันดุนะ่ะหลวงพ่อก็ยังจับส่งไปวัดอื่นนะ เ, เลี้ยงคนให้กัดหมู่กัดเพื่อนนะไม่ควรจะมีในวัดของเราควรจะมีเหตุมีผลอยู่ด้วยกันต้องรักกันมเมตตากันมีความเอื้อเฟื้อเอ้ออารีต่อกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันจึงจะผาสุกถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความหวาดระแวงแคลงใจโมโหโกธาเอาอย่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดี ไม่ได้อมันดีทุกคนมันชั่วทุกคนถ้าตัวเองหมดกิเลสเอออันจกให้เป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์ท่านก็ไม่คิดอย่างนั้นอีกต่างหากเลยท่านก็ต้องมีเมตตาในจิตในใจของท่านไม่มีกิเลสเนี่ยอกิเลสทั้งหลายมาอยู่อยู่ด้วยกันะถ้าใช้กิเลสตอกกิเลสมากัดกันน่ะไม่ได้นะหูเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายนะต้องมีความพร้อมเพียงสมัครีกันนะเอไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างไปแล้ะใครเก่งนะคนที่เก่งของเราตายไปถึงเยอะแยะละ พวกนั้นเราต้องเอาคุณงามความดีเข้าหากันมีอะไรปรึกษาปรารถกันมีเหตตาสงสารกันเอาไว้พี่น้องคณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่เหล่าแต่คราวนี้หลวงพ่อเองนะก็ได้พูดกับาทางคุณปอแล้วกคณะกรรมการให้เขาทำเช็ค เ, เป็นดาบก็ได้ทำเป็นด้าบถนะวายฟ้าหญิงนะเพราะท่านพระ อ, องค์เสด็จมาสู่วัดเรา แตก่ก็กเคยถวายแต่พวกหนังสือพระพุทธ ล, ลูกเหมือนขององค์หลงตานะแต่คราวนี้คิดว่าจะถวายเป็นทาบของธนาคารคิดว่าจะให้คุณปอเนี่แหละเป็นผู้นําเป็นคณะนำสิทธิ์เพราะคุณปอเป็นลูกศิษย์ที่เก่าแก่มาตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดแล้วก็ให้พวกไหนจะเลือกเลือกการจะเลือกกี่คนเข้าเฝ้า ฟ้าหญิงตรงไหนแล้วก็ควรจะถามผู้ติดตามของท่านว่าจะถวายเช็คและถวายราบเพื่อสร้างเกดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาพอหลวงพ่อได้รับปากาหลวงพ่ออินกับคณะสิทธิ์จะรับเป็นเจ้าภาพ50ล้านบาทนะแต่วันนี้วันพรุ่งนี้คิดว่าจะถวายเป็นประเดิมนะประเดิมสักสองล้านนะถวายเข้าบัญชีของทุนกระหม่อม ฟ้าหญิงจุราภรณ์นะเพราะฉนั้นขอให้พวกคณะชาตญาติโยมลูกหลานนะผู้ใดไม่ได้เข้าไปก็มันต้องเสียใจเรอาอสิเสียใจทําไมเ อ, อถวาย บ, บุญกุศลเราทำเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นแ่ะเราไม่ได้ออกซักเสตางเ อ, อแล้วเราจะไปเสียใจทําไมออใครผู้ออกก็ไม่ได้ออกก็ไม่เป็นไรลูหลวงพ่อโลเป็นลกูกศิษย์ของหลวงพ่อทั้งหมดออถึงยังไม่ได้ออกก็ยกมือหออลวงพ่อเองก็ไม่ได้ถวายด้วยตนเอง ก็ให้ทายกเป็นไว ย, ยาพัจกรเนี่ยตั้งว ย, ยาพัจกรคือคุณปอเป็นว ย, ยาพัจกรของวัดตามกฎหมายบ้านเมืองเอาให้คุณปอเนาะจะเรียกใครเอาเข้ไปหมู่เป็นเพื่อนแต่ขึ้นยังไงก็เตอะคุณปอคุณเดียวนะ่ะครอบครัวของคุณปอไม่ให้เอาลูกไม่ให้เอาใครเอาเข้าไปด้วยเอาคุณปอคุณเดียวหลังจากนั้นก็เอาใครเรียกเข้าไปพวกในครัวมีใครสุดแท้แต่พวกเราจะคัดเลือกกันนะ ข้อสาคัญอย่าไปทะเลาะกันอย่างที่ว่านะคนนั้นหลวงพ่อให้ความสําคัญคนนี้หลวงพ่อไม่ให้ความสําคัญหลวงพ่อให้ความสําคัญหมดนะถ้าพวกเราเป็นคนสําคัญถ้าเว้นเสียแต่พวกตัวเองไม่สําคัญหลวงพ่อบอกถึ่งหันหลังไปหนึ่งพ่อหนึ่งมาอีมีแต่แส้หลวงพ่อจะหัวดหลังเอาเหมือนกับลูกของเราเกเรเวลาจะให้ทําการทํางานกันเนี่ยงอนตุ้มปอกตุมต้มปองตุ้มปอกตุ้มปองที่จะให้ทําการอผลที่สุด พอจะแบ่งเงินเข้ามาว่าหาว่าพ่อไม่ให้ความสําคัญจะไปพูดให้สาคัญให้ทำความสําคัญได้อย่างไรตัวเองสมัยก่อนทําไมไม่ดูตัวเองฮะสิ่งเหล่านี้พ่อเนี่ยดูจะตลอดเวลาใครเป็นใครนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะสถายะโจมทุกคนนะหลวงพ่อไม่ใช่ น, น, นะนะหลวงพ่อเนี่ยกว้างขวางนะเป็นหลวงพ่อมีเมตตากับทุกคู่ทุกคนลูกศิษย์ลูกหาทุกคนแต่ว่าสมควรคราวนี้ควรจะทําอย่างไร ควรจะจัดการอย่างไรเนีอย่างนี้หลวงพ่อก็ได้คิดนะขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเมื่อทํำไปแล้วบุญกุศลถึงพวกเราจะไม่ได้เข้าไก่ไม่ได้หน้าใดตาบุญกุศลก็เต็มเม็ดเต็ ม, มหน่วยเข้าสู่จิตใจของพวกเราเหมือนเดิมนะนะั่นแหละมันไม่ไปไหนเนีอันนี้มันโลกสมมตุติโลกสมมุติเราก็ปฏิบัติให้ถูกโลกสมมุติเขาทําให้มันถูกซะเพราะนั้นขอให้พวกคุณปอนะช่วยๆกันชัดสัน หือท่านรัตนาเนี่ยวายพระเข้าไปร่วมร่วมด้วยกันอาจารย์าจะเอากี่คนแล้วก็ถามถามผู้ติดตามของพระองค์ด้วยศึกษาด้วยวิธีการจะทํำยังไงเจ็ดที่จะถวายเวลาเข้าไปประชุมคุณนู่นพอเอาข้าวเฝ้าข้าเฝ้าเร็วๆนู่นผ้าจะเบียงผ้าจะใบอยู่ในครัวกันวิ่งอิลุกตุปอมวิ่งเข้ามาอิรุภูผับผ้าด้ายผ้าด้วขวาเหมือนกับทายกวัด อยู่หลวงพ่อเนี่ยยังไม่ลืมเอาทายกวัดมาทายกฟัดเนี่ยปูปูปาบก็อย่างที่ว่าเนี่ยไปเอาผ้าถุงของเมียมาพาด์่าเพื่อว่าตัวเองผิดนผ้าสบายเอาผ้าถุงเมียมาพาดบ่าตัวเองลืมดูกระทั่งผ้าพาดบปาเขาว่าอ้าวทายกทำไมเอาผ้าถุงของเมียมาพาดบปาแล้วไหวพดโจวนตึงตังโจวนเอาไปทิ้งออกไปนี่แหละอันนี้หลวงพ่อ อันน้เป็นอุต้าหอนเหมือนกันนี่แหละหลวงพ่อนํามาพูดเหมือนกับพูดคำหยาบนะแต่ตามไม่จริงคนที่ไม่เตรียมพร้อมคนที่ไม่รอบคอบควรที่ทําอะไรปลุกปั่นเนี่ยไม่ได้คิดได้อ่านล่วงหน้าไว้นะมันจะเป็นลักษณะอย่างงั้นสรุปแล้วนะวันพวกเรานะลูกศิษย์หลวงพ่ออินนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะลุกหลานนะเอารับพร